เมื่อเธอไม่มีเรื่องที่พระตถาคตสอนกับภายะนี้เป็นมรรควิธีที่ลัดสั้นง่ายซึ่งเมื่อพายะได้ฟังแล้วก็สำเร็จเป็นพระราหันในทันทีเพราะฉะนั้นมรรควิธีตรงนี้จึงเป็นมรรควิธีที่พระองค์ได้ใช้บอกสอนกับ คนแก่คนเจ็บคนป่วยใกล้จะตายด้วยเช่นสอนกับมาลุงกายบุตรก็จะสอนในลักษณะเดียวกันซึ่งเป็นผู้เท่าผู้แก่ผ่านวัยผ่านราตรีมานานในลักษณะนี้พระองค์ให้เราเนี่ยมีการละลึกได้กลับมาสู่ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาและพยายามที่จะไม่ใส่ใจกับอารมณ์ใดๆดโดยการที่ว่าเมื่อเห็นรูป ฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายหรือรู้อารมณ์ทางใจขึ้นมาก็ให้สักว่ารู้ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปด้วยการทำเท่านี้พระองค์บอกว่าตัวเธอนั้นจะไม่มีนั่นก็คือสอดคล้องกับมกวิธีการละนันทินั่นเอง คือเมื่อรู้อะไรขึ้นมาแล้วก็ให้ละนันทิอย่างรวดเร็วและไปสอดคล้องกับอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศที่พระองค์ให้ทิ้งความพอใจไม่พอใจให้เร็วดุจกระพิบตาก็จะอยู่ในลักษณะเดียวกันนะก็คือเมื่อจิตรับรู้เรื่องใดแล้วก็ให้สักตะ ร, รู้ไปปล่อยวางไปปล่อยวางไปอยู่ตลอดพระองค์ก็บอกว่าเมื่อ เธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องมาไปปรากฏในโลกนี้โลกหน้าหรือระหว่างแห่งโลกทั้งสองก็คือโลกใดๆทั้งสิ้นนั่นแหละคือที่สุดของทุกคือว่าการที่เราละวางอารมณ์อย่างเร็วที่สุดมันเป็นเหตุให้วิญญาณเนี่ยหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้เพราะปกติวิญญาณจะตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารแต่เมื่อมันเข้าไปตั้งอาศัยแล้วเรากลับ ปล่อยมันวางมันอย่างรวดเร็วที่สุดทำให้วิญญาณ น, นั้นตั้งอาศัยในรูปนามไม่ได้เมื่อวิญญาณหาที่ตั้งอาศัยในรูปนามไม่ได้เพราะเราละความพอใจได้อย่างรวดเร็วพระองค์บอกว่าอารมณ์ของวิญญาณก็ขาดลงเมื่ออารมณ์ของวิญญาณขาดลง วิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยเมื่อไม่มีที่ตั้งอาศัยก็จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้นั่นแหละพระองค์เรียกว่าที่สุดของความทุกข์คือที่ที่ไม่มีวิญญาณที่ไม่มีรูปนามนั่นก็คือที่ไม่มีการเกิดและการดับนั่นเองพาหิยะเมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นได้ฟังเสียงแล้ว สักว่าฟังได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายก็สักว่าดมลิ้มสัมผัสได้รู้แจ้งธรรมารมก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้วเมื่อนั้นเธอจักไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่น ไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกขละ